ทำบุญในพุทธศาสนาข้อนี้พระบาลีพุทธภาสิตว่าอิทาจะอุพการังคโรติแปลตามตัวอักษรว่าทาอุปการะในศาสนานี้คำว่าทาอุปการะในศาสนานี้หมายความว่ามีจิตใจเอื้อเฟื้อเกื้อกูลต่อพระสงฆ์ด้วยการถวายปัจจัยสี่คือจีวรบิณฑบาตเสนาสนะหรือที่อยู่อาศัยและยารักษาโรค ตามกำลังความสามารถของตนของตนอุบาสกอุบาสิกาคือชาวพุทธชายหญิงควรขนขวายในทานศีลและภาวนาให้ต่อเนื่องเพื่ออบรม บ, บ่มนิสัยของตนให้ดีงามจุดหมายปลายทางของการบําเพ็ญคุณความดีคืออุปนิสัยอันดีงามความเลอเลิศแห่งอุปนิสัยทานการให้เป็นสิ่งสําคัญอย่างหนึ่งเป็นทําเครื่องคล้องใจกัน เป็นตัวเชื่อมสมานให้บุคคลสนิทสนมรักใคร่นับถือกันลดความเห็นแก่ตัวเป็นอุบายสาหรับฝึกผู้ที่ยังไม่ได้ฝึกหรืออธันตะธรรมานาังทานางังผู้ให้ย่อมบันเทิงด้วยการให้เพราะพอใจในการให้ผู้รับย่อมอ่อนน้อมถ่อมน้ำใจด้วยปิยะวาจาทำให้ผู้ให้บันเทิงใจยิ่งขึ้นไปทานสองอย่างคือ 1. ทานที่ให้เจาะจงบุคคลหรือเจาะจงภิกษุสัมเนนหรือปาติุูริกทาน 2. ทานที่ให้แก่ส่วนรวมหรือให้แก่สงถ้าบาลีใช้คำว่าสังคคตาทักสีนาคือทักษีนาที่ถึงแล้วแก่สงก็มีคำว่าสงหมายถึงหมู่คณะก็ได้ไม่ได้หมายถึงภิกษุงสงอย่างเดียวเช่นคำทวิชาสังคาสมาคตา หรือหมู่นกมาชุมนุมกันแล้วใจความในไมฮกะสกุลชาดกมีดังนี้นกตัวหนึ่งชื่อไมฮกะแปลว่าของฉันหรือของกูเที่ยวไปตามซอกเขามาถึงต้นเรียบที่มีผลสุกร้องว่าของกูของกูเมื่อนกตัวนั้นร้องอยู่เช่นนี้หมู่นกทั้งหลายหรือทิชะาสังคาบางแห่งเป็นทวิชะสังคามาชุมนุมกัน บริโภคผลเรียบแล้วจากไปนกตัวนั้นก็คงร้องคร่ำควรวญอยู่นั่นเองคนบางพวกในโลกนี้ก็เป็นเช่นนั้นรวบรวมทรัพย์ไว้เป็นอันมากแต่ไม่ได้ใช้เลี้ยงตนไม่สงเคราะห์ญาติตามสมควรเขาได้แต่รักษาทรัพย์ร้องอยู่ว่าของกูของกูเมื่อเขาร้องอยู่เช่นนี้พระราชาบ้างโจรบ้างหรือทายาตอันไม่เป็นที่รักบ้างย่อมนำเอาทรัพย์นั้นไป เจ้าของทรัพย์ก็ได้แต่คร่ำครวญอยู่เช่นเดิมเพราะฉะนั้นนักปราดได้ทรัพย์แล้วย่อมเลี้ยงตนบ้างสงเคราะห์ญาติบ้างเขาย่อมได้รับเกียรติเพราะเหตุนั้นล่วงรับไปแล้วก็บันเทิงในสวรรค์ทิชะหรือทวิชะแปลว่าสัตว์ผู้เกิดสองครั้งคือเกิดเป็นฟองไข่ครั้งหนึ่งและออกจากไข่เป็นตัวอีกครั้งหนึ่งในที่นี้หมายถึงนก พวกพราหมณ์ในอินเดียโบราณก็ถือตนว่าเกิดสองครั้งเหมือนกันคือเกิดจากคันมานดาครั้งหนึ่งอีกครั้งหนึ่งเกิดเป็นพราหมณ์โดยสมบูรณ์หลังจากเรียนจบพระเวทแล้วดังที่หัวหน้าพราหมณ์คนหนึ่งสนทนากับพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าพวกพราหมณ์ถือว่า5้าประการต่อไปนี้เป็นสิ่งที่ทาให้เป็นพราหมณ์คือหนึ่งอุพโตสุชาโตเกิดดีทั้งสองฝ่าย คือพ่อแม่เป็นวันนะพรามสืบช่วงกันมาเจ็ดชั่วคน 2. มันตะทะโรจำมนได้หมายถึงจบตรยเพศ 3. อภิรูปโปทัศนีโยรูปงามน่าดูสีศีลวามีศีลมีความประพฤติดี 5. ปัญญวามีปัญญาพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสถามว่าคุณสมบัติเหล่านั้นลดทอนลงได้บ้างหรือไม่ คือแม้จะไม่มีข้อนั้นก็เป็นพรามได้พรามลดลงทีละข้อจนถึงข้อที่สและหคือศีลว่ามีศีลปัญญาว่ามีปัญญาบอกว่าสองข้อสุดท้ายลดเลิกไม่ได้เด็ดขาดพระพุทธองค์ตรัสว่าถ้าอย่างนั้นทรงเห็นด้วยเพราะศีลและปัญญาอาศัยกันชำระจิตให้บริสุทธิ์เหมือนบุคคลล้างมือด้วยมือล้างเท้าด้วยเท้า คนไทยนิยมทำสังฆทานเพื่อสะเดาะเคราะห์บ้างเพื่อต่ออายุบ้างเพื่ออุทิศส่วนบุญให้ผู้ตายบ้างล้วนแต่เพื่อตัวเองและญาติิดของตัวเองทั้งนั้นน้อยคนที่ทำสังฆทานเพราะคิดถึงสมหรือความอยู่รอดของพุทธศาสนาแม้จะดูเป็นการให้ก็เป็นการให้เพื่อได้เช่นเป็นส่วนมากมีความโลภเป็นตัวนาไม่ได้กาจัดความโลภหรือความเห็นแก่ตัวลงไปสักเท่าใด เผล่เผลจะเพิ่มพูนมากขึ้นเพราะมุ่งแต่ผลที่ตนจะได้จึงละเลยผู้รับซึ่งตนควรช่วยเหลือไปเสียแม้รู้ว่าขาดแคลนแต่กลับรุมกันให้ผู้ที่สมบูรณ์ภูนสุขอยู่แล้วจนล้นเหลือเหมือนขุดบ่อไปถมและภูนภูเขาเมื่อเป็นเช่นนี้ที่รุ่มก็ยิ่งรุ่มลงที่ดอนก็ยิ่งดอนขึ้นการพัฒนาสังคมของเราทั้งสังคมาศาสนาและบ้านเมือง จึงมีผลออกมาว่าผู้ที่รวยอยู่แล้วยิ่งรวยมากขึ้นเพราะมีโอกาสมีช่องทางส่วนผู้จนอยู่แล้วยิ่งจนลงเพราะไม่มีโอกาสไม่มีช่องทางเราควรต้องฝึกคนของเรากันใหม่แม้ในเรื่องการให้และการรับอย่ามุ่งผลเข้าตัวมากเกินไปแต่จงมุ่งผลแกะส่วนรวมหรือหมู่คณะอันตรงความหมายของสังฆทานภ้าษีบุญค่าเพิ่มนั้น ราษฎรต้องเสียภาษีเพิ่มร้อยละเจ็ดบาทเมื่อซื้อของในห้างร้านต่างๆเพื่อให้รัฐนำไปพัฒนาประเทศเป็นส่วนรวมแต่เวลานี้กรมสรรพากรจับได้ว่าพ่อค้าบางพวกมีวิธีกลโกงโกงเอาภาษีส่วนนี้ของรัฐมาเข้าตัวเส้นเดือนละมากๆวิธีโกงทำอย่างไรผู้เขียนไม่มีความรู้ไม่เข้าใจแต่ทราบว่า พวกเขาโกงเอาได้เดือนละหลายหลายล้านบาทความเห็นแก่ตัวทำให้ชาติบ้านเมืองร่มจมมามากต่อมากแล้วคนพวกหนึ่งรักษาป่าคนพวกหนึ่งทำลายป่าทำไมไม่ช่วยกันรักษาให้ทั่วถึงกันทุกคนจะได้ไม่ต้องเพิ่มคนรักษาให้เปลืองงบประมาณและเสี่ยงชีวิตด้วยในการให้หรือทานถ้าจะมีผลอย่างไรก็ให้เกิดเองโดยธรรมชาติแต่ใจของเรามุ่งผลต่อผู้รับ ส่วนผลที่จะย้อนกลับมาหาเรานั้นที่สุดแล้วแต่เหตุปัจจัยจะปรุงแต่งอย่างไรเราทำอย่างมีหลักวิชากอแล้วกันเหมือนปลูกพืชต่อไปนี้จะพูดตามหลักวิชาใส่เล็กน้อยว่าตามหลักวิชาการให้ทานที่จะให้มีผลมากต้องประกอบด้วยองค์ดังนี้ 1. งผู้ให้ต้องมีเจตนาดีทั้งสมการคือการให้หรือปลุกพระเจตนา กำลังให้หรือมุญจนะเจตนาหลังจากให้แล้วหรืออภรรยเจตนาดังพระพุทธพจน์ว่าปุเพวทานาสุมโนพระทางจิตตังภะษาทะเยทัตวาอัตตะมโนโหติเอสาญาสสะสัมปทาแปลว่าก่อนให้มีความชื่นชมยินดีกำลังให้จิตใจเลื่อมใสให้แล้วจิตใจชื่นบานนี่คือความพร้อมแห่งบุญ ถ้ามีอปราระเจตนาเพิ่มขึ้นก็ยิ่งดีนั่นคือเราลึกบ่อยๆซึ่งบุญกุศลที่ทำแล้วนั้นนึกขึ้นทีไรก็ปลื้มใจทีนั้นสองผู้รับหรือปฏิคาหกเป็นผู้มีศีลมีธรรมมีคุณธรรมสูงท่านกำหนดอย่างสูงว่าเป็นผู้ปราศจากราคะโทสะโมหะกล่าวคือไม่มีกิเลสนั่นเองดังพระพุทธพจน์ว่า วีตราโควีตโทโสวีตโมโหอนาสโวเขตตังปุญญาสะสัมปันนางสัญญาตาพรหมจาริโนแปลว่าผู้รับเป็นผู้ปราศจากราคะโทสะโมหะไม่มีอาสะวะกิเลสท่านเหล่านั้นเป็นผู้ประพฤติพรหมจรรย์สมรวมดีแล้วนับว่าเป็นเขตอันสมบูรณ์แห่งบุญเปรียบเหมือนเนื้อดินดีเหมาะแก่การหว่านหรือปลูกพืช ประกอบด้วยเมล็ดพืชพันธุ์ดีผู้ปลูกมีหลักวิชาย่อมได้ผลภัยบูนรวมความว่าผู้ให้ประกอบด้วยองค์สาผู้รับประกอบด้วยองค์สามจัดเป็นทานที่ประกอบด้วยองค์หกหรือฉลางที่กลางทานังหรือฉลางคสมานาคตาทักกีนาสามไตยธรรมคือสิ่งของนั้นได้มาโดยชอบธรรมเป็นการถึงพร้อมแห่งปัจจัยหรือปัจจัยสัมปทา สี่คุณาติเรกสัมปทาข้อนี้หมายถึงความพรั่งพร้อมแห่งคุณสมบัติพิเศษแห่งผู้รับทานท่านหมายเจาะจงถึงผู้รับออกนิโรธสมาบัตใหม่ๆทานให้ผลทันตาภายในวันนั้นหรือภายในไม่กี่วัน 5. ผู้ให้เป็นผู้มีศีลธรรมทำให้ทานที่ให้มีผลมากสมดังที่ท่านกล่าวว่า ทานของผู้มีศีลย่อมมีผลมากมีอนิสงฆ์มากดังบาลีว่าศีสาวะโตทานัางมหาพลังโหติมหานิสังสังด้วยเหตุนี้ในสังคมไทยจึงนิยมให้ทายกผู้ถวายทานรับศีลเชก่อนอย่างน้อยก็เป็นผู้มีศีลในขณะนั้นพให้ทานด้วยคิดว่าเป็นการฝึกตนหรือฝึกจิตหรือเพื่อพัฒนาจิตให้เจริญยิ่งยิ่งขึ้นไป สำหรับผู้รับไม่ว่าจะเป็นภิกษุสมณีหรือครือขัดผู้ได้รับความเอื้อเฟื้อช่วยเหลือจากผู้ให้แล้วควรน้อมใจระลึกถึงคุณของผู้ให้อยู่เสมอเสมอเพื่อประโยชน์สองอย่างคือเพื่อกระตันยูกะตะเวที่ตาผู้ให้และเพื่อถือเป็นทิฏฐานุคติคือแบบอย่างในการดำเนินตามเจ็ดอา น, นิสงส์ท้องการให้พระพุทธองค์ทรงแสดงไว้หประการคือ ผู้ให้ย่อมเป็นที่รักคนส่วนมากพอใจคบเขาเกียรติอันงามย่อมฟุ้งไปเจริญด้วยยศหรือเกีดยรติยศเป็นผู้กล้าไม่เก้อเขินในชุมชนเมื่อสิ้นชีวิตแล้วไปสู่สุคติผู้ทำบุญในพุทธศาสนาควรศึกษาเรื่องบุญให้ดีอย่าทำอย่างสุม่มสีุ่่มห้าตามคนอื่นเข้าไปอย่างขาดปัญญาไตรตรองให้เห็นเหตุผลเสียก่อน การทำเช่นนั้นมีโทษมากกว่าคุณอภัยทานทานอีกอย่างหนึ่งที่ควรบาเพ็ญอย่างยิ่งคืออภัยทานการให้อภัยคือความไม่มีภัยแก่ผู้อื่นโดยการเอาใจเข้ามาใส่ใจเราว่าเราต้องการความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินฉันใดคนอื่นสัตว์อื่นก็ฉันนั้นจึงตั้งใจงดเว้นคือไม่เบียดเบียนชีวิตและทรัพย์สินของผู้อื่น ตั้งใจคุ้มครองให้ความปลอดภัยให้ความอบอุ่นใจให้ความสวัสดีแก่ผู้อื่นสมัยก่อนที่คนยังใจดีเมื่อเดินทางไกลคนเดียวได้พบคนก็รู้สึกอบอุ่นใจว่าได้เพื่อนเดินทางหญิงได้พบชายก็รู้สึกว่าได้คุ้มภัยแต่สมัยที่คนจิตใจเสื่อมทรามการได้พบคนในทางเปลี่ยวทําให้รู้สึกกังวลและหวาดระแวง ว่าเขาเป็นคนดีหรือคนร้ายหญิงได้พบชายในทางเปลี่ยวต้องรีบเดินหรือวิ่งหนีรู้สึกกลัวอันตรายมันเป็นยุคสมัยที่ศักดิ์ศรีของมนุษย์ได้ตกต่ำลงอย่างมากมนุษย์ไม่ไว้ใจมนุษย์ด้วยกันทำอย่างไรที่จะเรียกศักดิ์ศรีของมนุษย์ในเรื่องนี้กลับคืนมาได้ไม่ยากเลยถ้ามนุษย์ให้ความปลอดภัยต่อกันช่วยกันบำเพ็ญอภัยทานให้มากขึ้นเรื่อยๆ จนสังคมของเราเต็มไปด้วยอภัยทานมีความรู้สึกปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินทั้งในบ้านและนอกบ้านอย่างที่ท่านกล่าวไว้ในคำพีว่าบ้านเรือนปราศจากริ่มสลักนั่นคือไม่ต้องใส่กรอนไม่ต้องใส่กุญแจไม่ต้องมีเหล็กดัดสำหรับประตูหน้าต่างลองคิดดูเถิดว่าถ้าสภาพการเป็นได้เช่นนี้สังคมมนุษย์เราจะสงบสุขเพียงใด แต่จะเป็นเช่นนั้นได้มนุษย์จะต้องมีเศรษฐกิจดีพอสมควรและมีจิตใจไฝ่ดีไฝ่ธรรมเศรษฐกิจจะดีได้มนุษย์จะต้องขยันในการประกอบสัมมาชีพและผู้ปกครองต้องจัดระบบเศรษฐกิจให้เป็นธรรมไม่ให้คนในสังคมเอาเปรียบกันได้โดยง่ายการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมต้องมีจุดมุ่งที่ศีลธรรมและความสงบสุขของประชาชน ไม่ใช่ที่ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและความมั่งคัง่งเพราะนั่นเป็นการยั่วยุให้คนโลกและต้องการไม่มีสิ้นสุดซึ่งเป็นการพัฒนาไปสู่หายนณะคนต้องแย่งชิงกันเบียดเบียนกันไม่มีทางสงบสุขไปได้คนในสังคมเราจะมีจิตใจใฝ่ดีใฝ่ธรรมได้ก็ต้องอาศัยการได้ฟังธรรมมีผู้แสดงธรรม ชี้แจงให้เข้าใจเหตุผลในเรื่องถูกผิดดีชั่วอันเรียกว่าธรรมทานธรรมทานนั้นพระพุทธองค์ตรัสว่าเลิศ ก, กว่าทานทั้งปวงชนะทานทั้งปวงเพราะผู้ได้ฟังธรรมรู้ธรรมและปฏิบัติตามธรรมถึงที่สุดแล้วย่อมชนะกิเลสคือตัณหาได้ความสิ้นตัณหาเป็นการชนะทุก์ทั้งปวงดังบาลีว่า ตันหักขโยสับพทุก ข, ขังชินาติผู้ต้องการชนะทุกทั้งปวงต้องชนะตันหาทั้งปวงก่อนการที่จะเป็นเช่นนั้นได้ต้องได้สดับธรรมเห็นโทษของกิเลสมีตันหาเป็นต้นเห็นคุณของการออกจากตันหาอุปาทานแล้วจึงดำเนินปฏิปทาเพื่อออกจากตันหาอุปาทานบุคคลผู้ไม่ได้ฟังธรรมของพระริยะ ย่อมหลงเดินวนเวียนอยู่ในป่าชัดคือวัฏทุกข์ไม่มีทางออกเหมือนควายตาบอดเดินหลงทางอยู่ในป่าไม่รู้ที่อันปลอดภัยหรือไม่ปลอดภัยการให้ทำชี้ทางพ้นทุกข์จึงดีกว่าการให้อามิตรซึ่งถ้ามีมากอาจทำให้คนหลงติดอยู่ในวัฏทุกข์ไม่อาจพ้นบ่วงกิเลสบ่วงกรรมและบ่วงวิบากไปได้การเกิดบ่อยๆย่อมเป็นทุกข์บ่อยๆ ผู้ยินดีในขันห้าเท่ากับยินดีในทุกนั่นเองเพราะขันห้าเป็นตัวทุกข์สมกับพระบรมพุทธโทวาดว่านาถีขันทัศมาทุกขาไม่มีทุกใดเสมอด้วยขันผู้ไม่สะดับธรรมของพระริยะเจ้ามีพระพุทธเจ้าเป็นต้นย่อมหลงยินดีในขันห้าทั้งของตนเองและของผู้อื่นย่อมตกแต่งประดับประดาบริหารขันวันแล้ววันเล่า เน็ดเหนื่อยและยุ่งยากเพียงใดผู้มีปัญญาจักสุย่อมองเห็นได้ชัดเจนแต่ผู้ไม่มีปัญญาจักสุหาเห็นไม่ย่อมยินดีเพลิดเพลินในพบในความเกิดจะเห็นได้ว่าเมื่อเด็กคลอดพ่อแม่ญาติพี่น้องพากันชื่นชมยินดีเพียงไรเด็กน้อยแหวเบาะผู้ช่วยตัวเองไม่ได้จะต้องระจนกับความทุกข์ความโหดร้ายของโลกนี้ไปนานเท่าใด เมื่อโตขึ้นเรื่องที่จะต้องทุกข์เท่านั้นที่เปลี่ยนไปแต่ความทุกข์โทมนัตยังอยู่เหมือนเดิมเปลี่ยนแต่เรื่องที่จะต้องทุกข์เท่านั้นการแสดงธรรมการได้ฟังธรรมและปฏิบัติธรรมเพื่อความสิ้นกิเลสเพื่อความพ้นทุกข์จึงเป็นบุญอันสำคัญทั้งสองอย่างเรียกว่าธรรมเทศนามายและธรรมสวนามายัยตามลาดับในมิคาสลาสูตรพระผู้มีพระภาคตรัสว่า คนบางพวกมีความโกรธและถือตัวบางคราวความโลภเกิดขึ้นพวกเขาไม่ได้ฟังธรรมไม่สนใจศึกษาธรรมเมื่อสิ้นชีพแล้วไปในทางเสื่อมคนบางพวกมีความโกรธและถือตัวบางคราวความโลภเกิดขึ้นแต่พวกเขาสนใจในการฟังธรรมและศึกษาธรรมเมื่อสิ้นชีพแล้วไปในทางเจริญ นี่คืออ น, นิสงส์ประการหนึ่งของการแสดงธรรมและการฟังธรรมผู้แสดงธรรมย่อมเป็นผู้ฟังไปด้วยเพราะได้ยินสิ่งที่ตนพูดและได้ยินมากกว่าคนอื่นอันหนึง่งการบังเกิดขึ้นแห่งผู้แสดงธรรมเป็นสิ่งหาได้ยากอย่างหนึ่งสมจริงดังที่พระศ า, าสดาตรัสไว้ว่าการปรากฏขึ้นแห่งสิ่งหประการหาได้ยากในโลกคือหนึ่ง ความปรากฏขึ้นแห่งพระธรรมคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า 2. ความปรากฏขึ้นแห่งผู้แสดงธรรมวินัยของพระตถาคต 3. การได้เกิดในถิ่นที่มีพระอริยเจ้า 4. ความเป็นผู้มีอินทรีย์ไม่โบกพร่องคือมีอวัยวะสมบูรณ์ 5. ความไม่เป็นใบบ้ า, บาหกความพอใจในกุศลธรรมอีกอย่างหนึ่ง การได้อัตภาพเป็นมนุษย์ก็ดีการบังเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้าก็ดีการมีเวลาที่จะได้บำเพ็ญบุญกุศลก็ดีการได้ฟังพระสัต ธ, ธรรมก็ดีล้วนเป็นของยากทั้งสิน้นซึ่งบาลีว่าทุลพันธ์จะมนุษย์สัตตังพุททุปปาโทจะทุลลโผทุลลภาคณะสัมปั ต, ติสัตธรรมโมปรมทุลลโผขอให้พิจารณาดูให้ดีว่า สิ่งที่ยากๆเหล่านี้เรามีอยู่เท่าใดขาดไปเท่าใดถ้าเห็นว่ามีมากกว่าขาดก็ควรจะยินดีและใช้สิ่งที่มีนั้นให้เป็นประโยชน์ที่สุดอย่าปล่อยโอกาสอันดีให้ล่วงเลยไปเปล่าถ้าเห็นว่ายังขาดอยู่ก็ทำเพิ่มให้มีขึ้นทำให้เป็นลาบของชีวิตบัดนี้ในสังคมของเรามีผู้แสดงธรรมมีหนังสือธรรมมีผู้สนใจฟังธรรม เราได้สิ่งที่ได้ยากตั้งหลายอย่างจึงช่วยการรักษาไว้ให้ดีช่วยกันกล่าวช่วยกันส่องประทีรรมให้สว่างสวยัยช่วยกันยกธงของพระริยาเจ้ากล่าวคือธรรมของพระริยาเจ้าทั้งหลายมีคำสุภาษิตเป็นธงธรรมนั่นเองคือธงของฤาษีคือพระริยาเจ้าจากพระไตรปิฎกเล่มยีอข้อ48วิธีทำบุญอื่น คนในสังคมพุทธของเรายังเข้าใจคำว่าการทาบุญแคบไปคือเพราะเอ่ยว่าทาบุญเราก็มักจะนึกถึงการให้ทานจึงมักพูดกันติดปากว่าทาบุญให้ทานแถมยังเข้าใจผิดซะอีกว่าทำบุญอย่างหนึ่งให้ทานอย่างหนึ่งข้าพเจ้าเมื่อไปบรรยายในที่ต่างๆจึงได้รับคำถามเสมอว่าทาบุญกับให้ทานต่างกันอย่างไรได้ตอบว่า การให้ทานเป็นบุญหรือวิธีทำบุญอย่างหนึ่งชี้ให้ดูบุญญากิริยาวัตถุคือที่ตั้งแห่งการทำบุญหรือวิถีแห่งบุญสามอย่างโดยย่อคือทานศีลภาวนาทานเป็นอย่างหนึ่งในสามอย่างและมีผลน้อยกว่าศีลและภาวนาแต่คนนิยมทำกันมากการรักษาศีล ร, รองลงมาภาวนายิ่งมีคนทำน้อย ทั้งๆที่เป็นการทำบุญที่ไม่ต้องลงทุนได้ทรย์ศิลและมีอ น, นิสงส์มากด้วยเพราะเป็นการชำระาจ ใ, จให้บริสุทธิ์จากกิเลสอันเป็นทางพ้นทุกข์ถาวรยังมีบุญยะกิริยาวัตถุอีกเจ็อย่างซึ่งคนไม่ค่อยได้เลือกว่าเป็นบุญนั่นคืออาปานะัญญะความอ่อนน้อมถ่อมตนไม่กระด้างถือดีวัยาวัจจการช่วยขนขวายช่วยเหลือในกิจธุระของผู้อื่น ไม่ดูดายไม่ใจจืดรรมนะัศวะการฟังธรรมรับคําสั่งสอนที่ถูกต้องธรรมเทศนาการสั่งสอนธรรมคือพร่ำสอนสิ่งที่ดีงามมีประโยชน์แก่ผู้อื่นปฏิทานการให้ส่วนบุญที่ตนทำแล้วแก่ผู้อื่นปั ต, ตานุโมทนาการอนุโมทนาส่วนบุญที่ผู้อื่นทําแล้วทิฏฐุชุกกรรมการทาความเห็นให้ตรง ความเป็นสมมาทิฐิจะเห็นว่าเรามีวิธีทาบุญมากมายแม้ไม่ต้องใช้ทรัพย์ก็ยังมีวิธีทำอีกตั้ง9ก้าอย่างชาวพุทธควรศึกษาหลักพระพุทธศาสนาให้เข้าใจและปฏิบัติตนให้ตรงตามหลักพระพุทธศาสนาจะได้เป็นชาวพุทธที่ดีเป็นหลักแก่อนุชนได้และจะได้รับประโยชน์จากพระพุทธศาสนาตามสมควรแก่การปฏิบัติ สมทไทของพระศาสดาผู้ยอมสู้เสียสละความสุขสวนพระองค์ขนขวายสั่งสอนพระธรรมอันประเสริฐไว้แก่มวลมนุษย์ได้นำสืบกันมาจนถึงพวกเราเวลานี้อย่างน้อยขอให้พวกเราพยายามฝึกฝนตนเองให้มีคุณสมบัติพื้นฐานของชาวพุทธให้สมบูรณ์หรือค่อนข้างสมบูรณ์จะได้เป็นชาวพุทธที่มีศักดิ์ศรีซึ่งศาสนาในศาสนาอื่นไม่อาจดูหมิ่นได้ แต่ถ้าเราเป็นพุทธโดยไม่มีคุณสมบัติของชาวพุทธแล้วแม้ปรารถนาความยกย่องก็หาได้รับไม่ความเป็นชาวพุทธต้องมาพร้อมด้วยคุณสมบัติมิฉะนั้นแล้วก็จะกลายเป็นเรื่องหลอกลวงทั้งตนเองและผู้อื่นมีคุณสมบัติพร้อมแต่ไม่ได้เป็นยังประเสริฐกว่า